สังขารเพื่อชาติจนถึงปัจจุบันนี้หน่วยงานและจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดประกอบด้วยภาครัฐและเอกชนบรรพชิตและครวาดได้แสดงความรักชาติด้วยการขออาราธนานิมน ท่านไปแสดงธรรมเพื่อร่วมบริจาคช่วยชาติกับท่านด้วยความเมตตาสงสารของท่านต่อพี่น้องชาวไทยเป็นล้นพลแม้จะชราภาพหรือเหน็ดเหนื่อยเพียงใดท่านก็อุตสาหฝืนสังขารไปแสดงธรรมเทศนาได้ท่ามกลางความห่วงใหญ่ของลูกศิษย์พระเนนครวาา เกี่ยวกับสุขภาพของท่านแต่ไม่มีใครสามารถทัดทานความเมตตาของท่านได้ในเรื่องนี้ท่านเคยกล่าวความในใจให้ลูกศิษย์ฟังว่าอย่างที่ได้มานำชาติบ้านเมือง น, นี้เราก็ไม่เคยคาดเคยคิด มันก็เป็นของมันมาอย่างนี้จะทำไงโอมันสะดุ้งจิตมากนะเป็นห่วงเป็นใ ย, ยชาติไทยของเราทั้งร่างกายของเราก็สุดมากสุดมากจนเหมือนกับว่าถ้าเราตายไปนี่เหมือนกับว่าเราจะมองหลังมองหลังด้วยความเป็นห่วงนะโอ้ทำไงสุขภาพของเรา ก็จะเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วบ้านเมืองก็ยิ่งเป็นไปอย่างนี้ทำยังไงนาะอยู่ๆหมอก็มาช่วยนี่นาะเชิดขึ้นถ้ายังเป็นเครื่องบินก็มันเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นแล้ว หัวบนดิ่งลงสนามถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วอยู่ๆก็เชิดหัวขึ้นทันทีตั้งลำได้ก็ซัดเลยไม่ต้องยกครูแล้วเอาเลยจึงได้นำมาตลอดทุกวันนี้เราทำเพื่อช่วยโลกจริงๆท่านกล่าวเช่นนี้ ด้วยเหตุว่าเนื่องด้วยในระยะนั้นท่านกำลังป่วยอย่างหนักด้วยโรคท้องอยู่ถึงขนาดที่ว่าเตรียมการสร้างเมนเป็นรอยมือของท่านไว้เรียบร้อยแล้วดังปรากฏอยู่ที่หน้าวัดป่าบ้านตาดนั่นเองอาการของโรคคล้ายกับท้องเสียคือมีการถ่ายท้องถึงวันละ เจ็ดถึงเก้าครั้งต่อวันและเป็นเช่นนี้ตลอดมาทุกวันทุกวันเป็นเวลาถึงแปดเดือนเต็มแล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าอาการจะดีขึ้นแต่อย่างใดมีแต่หมดกาลังลงหมดกาลังลงแล้วซุดลงทุกวันทุกวันจนท่านตกลงปลงใจว่ า, าธาตุขันร่างกายนี้คงมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงวันเข้าวันสา ปี2 5 4พนีบนี้อย่างแน่นอนเมื่ออาการของท่านสุดหนักลงเช่นนั้นจึงมีผู้กราบขอความเมตตาจากท่าน เพื่ออนุญาตให้ตรวจรักษาโดยคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นคณะแพทย์ได้ตรวจพบก้อนผิดปกติบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายอย่างไรก็ตามท่านไม่อนุญาตให้คณะแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยรักษาต่อแต่ประการใด ปรากฏแสงแวววาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านเริ่มฉันยาสมุนไพรและใช้ธรรมโอสถแล้วปรากฏชัดทันทีว่าอาการต่างๆเริ่มดีขึ้นและจากนั้นก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นค่อยฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นมีกำลังวังชามากขึ้นมากขึ้นเพราะเมื่อฉันอาหารแล้ว ไม่สูญเสียตกหล่นออกไปหมดเหมือนเมื่อครั้งที่ป่วยด้วยโรคท้องอยู่ทุกขณะคืนวันเมื่อสุขภาพของท่านดีขึ้นดีขึ้นดังกล่าว ประกอบกับเรียะนั้นท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ร้อนของชาติมาก่อนแล้วท่านจึงประกาศถึงความมุ่งมั่นที่จะช่วยชาติอย่างจริงจังขึ้นแกบ่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12เมษายน2541โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวะไหลลักอัครราชกุมารีทรงเป็นประธานทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องชาวไทยรับทราบกันโดยทั่วถึงจะได้แสดงน้ำจิตน้ำใจช่วยกันมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทั้งนี้เพราะเรื่องของชาติเป็นเรื่องใหญ่มีความจำเป็นต้องได้ช่วยกันทุกคน ครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งนี้ไม่ใช่วิสัยของคนคนเดียวหากเป็นวิสัยที่ท่านทำได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียวท่านจะไม่ยอมรบกวนผู้หนึ่งผู้ใดเลยด้วยความเมตตา และเสียสละอันยิ่งใหญ่ในใจของท่านนี้ทําให้ท่านถึงกับได้เคยกล่าวว่าเราช่วยโลกอย่างนี้เราช่วยด้วยความเมตตาจริงๆไม่ได้ช่วยเล่นๆนี่ถ้าหากว่าเรามีนะเราจะไม่กวนชาวบ้านชาวเมืองเลยแต่ของเราคนเดียวพอแล้วตูมเดียวทั่วประเทศไทยชั่วโมงเดียวหมด เรียบวุธหมดเลยแต่นี้เราไม่มีนั่นสี่จึงได้เรียกร้องให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันเพื่อยกถ้าเรามีแล้วโอ้ยไม่ยากเราจะไม่ถามใครให้ลำบากเสียเวลาล่ำเวลายกตูมเดียวเลยท่วมปุ๊บเลยเที่ยวความจนลงทะเลหลวงมองตามหลังไม่ทันเลยมันจมไปเลย แต่นี้เพราะไม่มีนั่นเองจึงได้ขอร้องจากพี่น้องทั้งหลายให้ช่วยกันอันนี้ไม่ใช่กำลังของคนคนเดียวจะยกได้มันกำลังของทุกคนที่จะยกชาติของตนขึ้นถึงถูกถึงต้องได้พยายามอย่างนี้เมื่อมันหนักมากก็พักไปเป็นระยะระยะเพราะเวลานี้แกมากแล้วเดินไปก็โซซัดโซเซแล้ว กำลังวังชาไม่มีแต่จิตใจนั้นแข็งแกร่งตลอดเวลาไม่งั้นไปไม่ได้นะนี้เราไปด้วยอำนาจกําลังใจกําลังความเมตตาต่างหากที่เราตะเกียกตะกายอยู่ทุกวันนี้ใจเป็นสำคัญมากนะ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 มีมากเท่าไหรก็ตามถ้าไม่มีความเสียสละไม่มีแก่ใจแล้วไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละมนุษย์เราอยู่ร่วมกันจะอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่สำคัญสำคัญที่นาใจที่มีต่อกันอันนี้สำคัญมากชาติชั้นวรรณะมันตั้งไปตามลักษณะเฉยๆมันก็คนนั่นแหละแต่โดยหลักธรรมแท้คือคน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 เพราะเราช่วยชาติด้วยความถึงใจจริงๆไม่ได้ช่วยแบบจืดๆจังๆนะเราช่วยจริงจังอย่างที่สุดที่ดีที่ดิ้นอยู่นี้มีแต่เพื่อช่วยชาติอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใครไม่เห็นความสำคัญของชาติก็เรียกว่าคนนั้นไรสาระไม่มีชาติเกิดกับเขาไม่มีชาติเป็นหลัก ไรค่าไม่มีราคาเลยคนประเภทนั้นถ้าอยู่ใกล้ริมแม่น้ำโขงให้เขียลงแม่น้ำโขงนะเข้าใจไหมถ้าอยู่ใกล้ทะเลให้เขี่ยลงทะเลอย่าให้ตกค้างอยู่ในเมืองไทยคนไม่มีหลักมีเกณฑ์คนไม่รักชาติต้องเขียลงทะเลให้พวกที่เขารกชาติอยู่ในเมืองไทย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 กำลังได้รับความตกทุกข์ลำบากแล้วทำไมลูกสงฆ์คือลูกมีพ่อมีแม่ลูกพระสงฆ์ไทยซึ่งมีพ่อมีแม่แล้วทำไมจึงจะใจดำน้ำําขุนช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ได้พ่อแม่กำลังตกทุกข์ได้ยากลาบากเข็นใจนี่พระสงฆ์ออกมาช่วยนี้เรียกว่าทำกิจสงฆ์โดยสมบูรณ